จเจริญพรท่านผู้ปฏิบัติธรรมทุกๆ ท, ท่านเกี่ยวประวันเกิดวันตายก็เป็นครั้งที่สองเพราะตอนคําที่พูดมาเรื่องมันก็ไม่จบขอทบทวนอีกหน่อยหนึ่งวันเกิดก็คือวันตายวันตาย ก็คือวันเกิดลองเอาไปคิดดูทีนี้พระพุทธเจ้าวันวิสาขาบูชาเป็นวันเกิดของพระพุทธเจ้าแต่ว่าก็เป็นวันตายของเจ้ากวาจายสิท ธ, ธัตถะเป็นวันเกิดของวิชชาเป็นวันตายของอวิชชา ลองไปทบทวนดูนี่บางคนอาจจะคิดว่าลอลวงพ่อพูดผิดการตายที่กุสินาราหรือว่าการสิ้นลมที่กุสินารานั่นคือร่างกายของเจ้าควาสายสิทธตทีนี้ไอ้การสิ้นชีวิตการสิ้นชีวิตการสิ้น ราสิ้นเชื้อสิ้นโกนสินกิเลตันหาอุปาทานพระองค์ก็สิ้นที่ใต้ต้นโพนะไม่ได้ไปสิ้นที่โน้นนั่นมันมีแต่เปลือกเปลือกที่มันหุ้มเอาไว้หุ้มอะไรก็คือหุ้มความรู้สึกที่ไม่ใช่กูนะ่ที่ไม่ใช่กูนะั่นแหละนั่นแหละคือพุทโธ พุทธโธเราจะเอาเนื้อหนังมาเป็นพุทธโธก็ไม่ได้จะเอาที่สั ญ, ญลักษณ์มาเป็นพุทธโธก็ไม่ได้จะเอาจมูกจีวรมาเป็นพุทธโธก็ไม่ได้เอาเป็นกระดูกมาเป็นพุทธโธก็ไม่ได้เพราะทั้งหมดนั้นมันสุญญาตาคือว่างจากตัวตนหมดแล้วทีนี้เราจะเอาอยัางไง เราจะเอาพุโทโธตัวไหนกันแน่เราไปอินเดียกันบ่อยๆเราไปหาพุโทโธพุโทโธอยู่ที่เนื้อที่ตัวที่จิตของเรานั่นแหละเราหาไม่พบเราไปหาพุโทโธในประเทศอินเดียตอนไหนที่เกิดความรู้สึกขึ้นมาว่าไม่ใช่กูสติปัญญามันก็เกิด แต่มันก็จะเกิดทันทีทันใดไม่ได้เพราะเรายังไม่มีพื้นฐานให้สำหรับผู้ที่มีพื้นฐานแล้วก็รองพื้นไว้แล้วต่อไปไอ้เมล็ดพุทธโทนั่นแหละมันก็ค่อยๆเจริญขึ้นจเจริญขึ้นจเจริญขึ้นงอกงามขึ้นงอกงามขึ้นสติปัญญาที่งอกงามขึ้นแล้วก็รู้ทันอวิชชา รู้ทันกิเลสตัณหาจนรู้ทันความเกิดความรู้สึกพอความรู้สึกว่าตัวกูเกิดทันทีเกิดทันทีความรู้สึกว่าไม่ใช่กูเกิดทันทีเหมือนกันนี่ลบล้างกันไปอย่างนั้นลบล้างกันไปลบล้างกันไปลบล้างกันไปของพ่อจึงบอกว่าให้ล่อมันหมุนด้วยเรื่อยยายล่อมันติดลม พอติดลมแล้วมันก็จมปลักอยู่ที่ตรงนั้นนี่นี่คือต้องปฏิบัติไปให้เรื่อยไม่ว่าจะเป็นการภาวนาหรือว่าเป็นการพิจารณานี่เป็นเรื่องที่เราจะต้องทํจากนั้นวันเกิดก็คือวันตายวินาทีไหนที่มันเกิดตัวกูขึ้นมาวินาทีนั้นตายแล้ววินาทีไหนว่ามันเกิด แล้วก็มีความรู้สึกติซ้อนขึ้นมาว่าไม่ใช่กูก็ไม่ใช่กูไปกิเลสคืออะคัโทสะโมหะมันก็จะดับทันทีนั่นคือตัวกูดับพอตัวกูดับพุทโธเกิดแล้วต่อไปก็รู้ทันไปเรื่อยไปเรื่อยไปเรื่อยไปเรื่อยอย่างนั้นฉะนั้นให้ร้อมันหมุนให้ธรรมจักมันหมุนอย่าให้วัฏจักมันหมุน ดาวัตจักมันหมุนมันจะหมุนไปทางซ้ายเห็นไมเวลาเราไปทำปฏิทินที่เจดีก็ดีที่โบสถ์ก็ดีที่ไหนก็ดีคือผู้ที่เข้าไปหาพระพุทธเจ้าก่อนที่จะเข้าไปหาพระพุทธเจ้าก็เดินทำปฏกสินก่อนสามรอบเวียนกวานี่คือเวียนไปในทางที่ถูกต้องอยี่นี้ถ้าเวียนไปในทางที่ไม่ถูกต้อง ก็เวียนซ้ายเป็นการเวียนซ้ายนี่คือความถูกต้องฉะนั้นอริยมรรคมนองค์แปดคือความถูกต้องทุกข้อต้องมีคำว่าสัมมาสัมมาสัมมาสัมมาถูกต้องไปหมดนั่นคือเวียนกว่าเวียนกว่าด้วยอำนาจของพระธรรมด้วยอำนาจของสติปัญญาทีนี้พูด ก็คืนก็หลายหลายเรื่องหลายเรื่องตั้งแต่ธรรมจักรหรือว่าอาริยมรรคมีองค์8ปดคือธรรมจักรสติปัฏฐานสติปัฏฐานสคือธรรมจักรปริวัติสก็คือธรรมจักรธรรมจักรทั้งนั้นเออริยมรรคมีองค์8ปเราก็ฟังกันมามากแล้ว อริยมรรคในองค์แปอย่าทิ้งอริยมรรคในองค์8ดยโดยย่อกัปัญญาศีล ส, สมาธิไปดูให้ละเอียดแล้วก็คิดให้ละเอียดคิดให้ละเอียดศีลการที่เราจะมีศีลสักข้อหนึ่งพระบป ร, ร, ระรัตนไตรัยประรัตนไตรัยคือหัวใจของพระพุทธศาสนาหัวใจของเราทุกๆคน ีเป็นการกามราบบังคับกายวาจาให้อยู่ในความสงบไม่ใช่นั่งนิ่งนิ่งให้อยู่ในความสงบคือในเรื่องของกายวาจาไม่ไปเบียดเบียนคนอื่นปาณาติบาตอธินนาทานกาเมสุมิชฌาจาร์โสาวาสิ่งเสพติดทั้งหลาย นี่ศีลแต่ละข้อไม่ใช่ว่ารับศีลแล้วก็มีศีลมันจะไม่มีรับศีลแล้วต้องเอาปัญญามาคิดเอาปัญญามาวิจัยศีลข้อที่หนึ่งปานาธิบาตไปฆ่าหมาตัวหนึ่งไปฆ่าแมวตัวหนึ่งไปฆ่านกตัวหนึ่งเอ้นกตัวนั้นมันมากินน้ำหรือว่าไปฆ่าสัตว์พวกที่ฆ่าสัตว์ยินสัตว์ในป่านั้น หรือว่าอย่างง่ายๆที่สุดไปฆ่าคนเพราะไปฆ่าผู้ชายคนหนึ่งเขามีอะไรบ้างข้างหลังก็มีลูกมีเมียมีพ่อมีแม่มีญาติแล้วก็ก็เป็นหัวเรียวหัวแรงในการที่จะมาหาเหยือ่อเอาไปให้พ่อให้แม่ให้ลูกลูกกำลังเรียนหนังสือแม่กำลังป่วย นี่เราไปทําอย่างนั้นทีนี้สัตว์ก็เหมือนกันสัตว์นกอย่างนี้มันมากินน้ำํำคนที่ฆ้านกส่วนมากก็เอาอยางนี่ไปดักนกแล้ยางไปดักน ก, ออ ก, นกพอนกมากินน้ํามันก็ติดติดแล้วก็เอามาขังไว้หรือว่าไปเอาไปฆ่าไปกินไปแกงนอย่างนี้นกมันมีลูก ลูกมันก็ทำปีกเรื้อรื้อเอพอแม่มันข้าไปกล้าปากหวัวปากแดงจะกินอาหารแม่ก็เอาไปป้อนให้แล้วทีนี้เมื่อแม่มันตายลูกมันก็ตายมันก็ตายหมดอย่างนี้มันตายหมดเอาไปยิงอะไรไปยิงชนันีไปยิงข้างลูกอ่อนยิงทําไม นอกจากกินแม่มันแล้วเอาลูกมันไปขายนี่เห็นไหมนั่นคือปาณาติบาต ท, ทีนี้เราจะรับศีลสักข้อหนึ่งหนะรือว่าทั้งหมดนั่นแหละแต่ว่าปาณาติบาตคือให้เห็นตัวอย่างว่าการที่เรารับศีลเราต้องมีทั้งปัญญาเราจะต้องมีทั้งความเพียรเราต้องมีทั้งสติปัญญาเห็น แต่นโอชีวิตของเขากับชีวิตของเราเสมอกันมันเสมอกันหมดชีวิตของสัตว์ทั้งหมดเนี่ยเสมอกันสัตว์ทุกประเภทรักชีวิตที่สูงสุดคือรักชีวิตทีนี้เมื่อเขารักชีวิตเรานี่รักไหมชีวิตเร า, เราก็รักอ้าวยังนั้นมันก็เสมอกันดิเสมอการด้วยกันแต่นว่าคนกับสัตว์นี่เสมอกัน แต่มนุษย์กับสัตว์ไม่เสมอกันคนกับสัตว์สัตว์มีการกินมีการหลับนอนกลัวขึ้นมาหนีภัยมีการสืบพันธุ์สี่อย่างทีนี้คนก็มีการสืบพันธุ์มีการกินมีการหลับนอนมีการหนีภัยเหมือนกันอีกเหมือนกันหมดเหมือนกันหมดทีนี้คนจะสูงกว่าสัตว์ก็เพราะว่าเรามีสีหห้า มีสมองที่โตกว่ามีความรู้สึกนึกคิดที่ดีกว่าอะไรดีกว่าฉะนั้นคนต้องยกระดับจิตหรือว่ากายวาจาให้เป็นมนุษย์คือเป็นคนที่มีจิตใจสูงจากความเป็นคนก็เป็นมนุษย์ทีนี้คนก็คือฝูงนั่นก็คือฝูงก็ดูที่มันเป็นฝูงฝูงูงู ง, งเราไปดูฝูงจามารีนันก็เป็นฝูง ฝูงแกะก็เป็นฝูงฝูงวัวก็เป็นฝูงฝูงควายก็เป็นฝูงฝูงทั้งนั้นเลยแต่คนก็ไม่เรียกว่าฝูงก็เรียกว่าคณะคณะคณะคณะก็คือหมู่หมู่ก็คือฝูงหมู่ก็คือฝูงนั่นแหละทีนี้ทํำยังไงเราทําให้ดีกว่าสัตว์ก็เราก็จะต้องมีศีลทีนี้มีศีลแต่ละข้อแต่ละข้อแต่ละข้อต้องมีปัญญา มีปัญญาแล้วก็มีความเพียน1่งเพียนในการระวังระวังสองเพียนในการละระวังระวังแล้วมันก็ยังเกิดผลเจงละให้ได้ต่อไปจะไม่ทำอย่างนี้อีกแล้วเพียนในการระวังเพียนในการละทีนี้คนที่ไปก้าคนคนที่ไปก้าสัตว์ไม่ระวังจิตไม่ระวังกาย ไม่ระวังวาจาไปฆ่าคนไปกล้าผููหญิงไปกล้าผูดใช้ไปฆ่าคนไม่ระวังเมื่อไม่ระวังเสร็จแล้ว<ม>ตัวเองก็ไปติดคุกตลอดชีวิตหรือว่าไปติดคุกสิปี15้าปียีสิปีนี่ไม่ระวังทีนี้ไอเ้เล็กๆน้อยๆเราระวังก่อนอย่าให้มันมากเกินเกินไปอพอเราระวังระวังเสร็จแล้วมันเผือ มันเปลงไอ้ที่ระวังแล้วมันเกิดอีกละละไม่เอาไม่พอกู้นี่มันมีขึ้นมาอีกหนึ่งเปลียนในการระวังสองเปลียนในการละตกยุงตก บ, บ่อยๆนะแต่จะได้ก็ระวังแต่ถ้าเราไปรูปไปเปล่าไว้อะไรมันกไม่เป็นปัญหาอะไรแต่ถ้าเราไปฆ่ามันหรือสัตว์ที่โตกว่านั้นพวกมดพวกแมลงพวกอะไรนี่เราก็เปลียนในการระวัง ระวังแล้วเปล่อเพิ่มสติที่นี้ต้องเพ pues. ิ่มเพิ่มสติให้มากขึ้นมากขึ้นพอเพิ่มสติให้มากขึ้นมันก็คิดได้เร็วนี่หนึ่งเพียนในการระวัง2เพียนในการละก็เกิดแล้วก็เพียนในการละสเพียนในการสร้างสร้างปัญญาให้เพิ่มขึ้นสร้างสติให้เพิ่มขึ้นสร้างให้มันเพิ่มขึ้นเพียนในการระวังเพียนในการละ สี่ในฝ่ายที่มันเป็นปัญญาเพียนในการสร้างสร้างปัญญาให้มากขึ้นสร้างความไวให้มากขึ้นสร้างสติให้มากขึ้นสร้างสมาธิให้มันมากขึ้นเพียนในการระวังเพียนในการละเพียรในการสร้างเสร็จแล้วก็เพิ่มพูนเพิ่มปูนเพิ่มพูนเพิ่มพูนเห็นมันก็มากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเ่ิบมา ต่อไปศีลนั้นก็สมบูรณ์รัตนตรัยก็สมบูรณ์อนนี้พอไปถึงสมาธิก็เหมือนกันอีกศีนมีหน้าที่ในการปราบบังคับกายวาจาสมาธิมีหน้าที่ในการปราบจิตทำจิตให้อยู่นิ่งนิ่งให้อยู่นิ่งนิ่งให้จิตเนี่ยมันอยู่นิ่งนิ่งภาวนาหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าหายใจออก ไม่ใจกูไม่ใจกูไม่ใจกูไม่ใจกูให้มันอยู่นิ่งนิ่งไอ้มันอยู่นิ่งๆิ่งอย่าให้มันเผลออย่าให้ไปไหนอย่าให้มันไปไหนเพราะมันไปดึงกลับมาไปดึงกลับมานี่สมาธิเหมือนกับว่านายช่างปั้นหม้อช่างปั้นหม้อเอาดินมาปั้นหม้อโดยวิธีกรรมต่างๆเสร็จแล้วก็ต้องเอาไม้มาตีหรือต้องนวดก่อนต้องอะไรก่อนนี่มันหลายสิ่งหลายอย่าง จนสุดท้ายเป็นหม้อขึ้นมาเลยเอาไปเผาแหนไหมต้องเอาไปเผาฉะนั้นต้องกำราบต้องกำราบสมาธิมีการกำราบจิตให้จิตมันอยู่นิ่งนิ่งอยู่นิ่งนิ่งอยู่นิ่งนิ่งก่อนอทีนี้เป็นยังไงพรมันเพลอก็จับมาอีกเรอก็จับมาอีกแต่อยู่นิ่งนิ่งตลอดไปไม่ได้มันต้องคิดเรื่องของจิตจะต้องคิด อันนั้นเรื่องของสมาธิหนึ่งเรื่องของศีลแล้วเรื่องของสมาธิสมาธิมีหน้าที่กำปราบจิตปัญญาที่นี้ต่อไปปัญญาปัญญามีหน้าที่ในการปราบกิเลสปราบกิเลสถอนกิเลสเหมือนกับว่าขุดหญ้าคาอย่างนั้นขุดหญ้าคาไปตัดหญ้าคาพรุ่งนี้ขึ้นอีกแล้วไปตัดขึ้นอีกแล้วตามอย่างไงถอน เอาอนแล้วก็ยังเหลือรากอยู่อีกที่ใต้ดินขุดไปเลยพรวนดินไปโกดไปพรวนดินไปแล้วก็ออามาสาสางไปสาสางไปสาสางไปกิเลสก็เหมือนกันนี่กิเลสทั้งหมดเรียกว่าอุปาทิอุปาทิ อ, อ น, นี้ปัญญามีหน้าที่ในการที่จะปราบหรือว่ากำราบกิเลสราคะก็คือกิเลสโทสะก็คือกิเลสมโหหะก็คือกิเลส กิเลสสามตัวนี้ราภะทําให้เกิดาราคะทําให้เกิดโลภะราคะนั่นแหละทาให้เกิดโลภะให้จําเอาไว้สองตัวนี้เพราะมันเกิดราคะขึ้นมามันอะไรมันพอใจพอมันพอใจในอะไรก็ตามเมื่อพอใจมันก็อยากได้มันก็อยากได้พอพอใจมันก็อยากได้ คนที่มีนิสัยที่เป็นโจรตาเห็นคนใส่สร้อยคอทองหนักสิบบาทมีราคะมีความพอใจหรือว่าไปเห็นผู้หญิงสวยคนนี้แต่แล้วก็เกิดราคะขึ้นมาเกิดราคะขึ้นมาก็ต้องการต้องการทีนี้มันก็เกิดโลภะขึ้นมา มีความต้องการในทางวัตถุก็ดีมีความต้องการในทางจู้สาวก็ดีมันก็เกิดโลภะขึ้นมาดังนั้นโลภะมัเกิดโลภะขึ้นมามันต้องอิจฉากันต้องริษยากันมันต้องเบียดเบียนกันมันต้องอะไรกันหมดแหละมันมาหมดนี่เรียกว่าในเรื่องของปัญญาปัญญาต้องปราบต้องปราบกิเลสปัญญามีหน้าที่ของการปราบกิเลส ทีปัญญาที่เราจะต้องทําให้มันมีขึ้นก็ด้วยการมีอริยมรรคมีองค์8ข้อที่หนึ่งสัมมาทิฏฐิถ้าไม่มีสัมมาทิฏฐิมันก็เป็นมิจฉาทิฏฐิก็คือเห็นผิดไปหมดสัมมาทิฏฐิที่ว่ามีความเห็นอันถูกต้องถูกต้องทีนี้มิจฉาทิฏฐิมีความเห็นผิดก็คือไม่ถูกต้อง เห็นอริยสัจสีนี่มันไม่ง่ายเพราะจากนั้นไม่ง่ายแต่ว่าไม่กลัวอย่าไปคิดว่าเออการปฏิบัติธรรมะนี่มันยากยากใครเป็นคนพูดถามดิถามไอ้ที่พูดว่ายากนะใครใครเป็นคนพูดกิเลสมันพูดอย่าปล่อยมันพูดกิเลสใหญ่มันอย่าปล่อยมันอีนนี้ถ้ามันว่ายากเออแล้วมึงไม่ตายอยู่มึงไม่ตายอยู่มึงว่ายาก แต่นี้ต้องการที่จะไม่ให้ตายไม่ให้ตายทั้งทางสติปัญญาไม่ให้ตายทั้งทางเนื้อทางหนังทางเนื้อทางหนังอย่างไงมันก็ตายอยู่แล้วมันก็เป็นเพียงโครงสร้างแค่นั้นเองแต่ว่าไม่ให้ตายในทางสติปัญญาเพราะฉะนั้นต้องปฏิบัติเรื่องปัญญาก็คือสัมมาทิฏฐิความเห็นอันถูกต้องเห็นอริยสัจทั้ง4ี่ เห็นขันหน้ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเห็นปฏิจจสมุปบาท ต, ตั้งแต่ฝ่ายเกิดฝ่ายดับเห็นหมดมันเห็นหมดเห็นตะลุกปลูกโปรงไปหมดเลยนี่ปัญญาข้อที่หนึ่งข้อที่สองก็คือปัญญาอีกนั่นแหละสัมมาสังกัปปะดํมเิในการไม่เบียดเบียนในการไม่มุ่งร้ายดํมเิในการไม่มุ่งร้า ย, ใ น, าายในการไม่เบียดเบียน นี่ก็ที่สอแต่ว่าต้องละกามเพราะกามอะไรทุกอย่างมันเพราะกามกามในเรื่องกามของกิเลสก็ดีกามในเรื่ yes, <okay. S 2> surfing, องของวัตถุก็ดีเพราะจานั้นละกามพอละกามในเรื่องอื่นมันเป็นเรื่องเล็กหมดเพราะไอ้เรื่องอื่นมันโยงใหญ่มากับกามทั้งนั้นมันโยงใหญ่มากับกามมาโยงโยงใหญ่มากับกามกิเลสโยงใหญ่กับกามวัตถุ นี่ไปหารายละเอียดสองข้อนี้คือปัญญาคือปัญญาทีนี้เรารับศีลก็ต้องมีปัญญาดีเอาปัญญานี่เลยไปใช้ไปรักษาศีลทีนี้เอาความเพียรไปรักษาศีลเอาสาติไปรักษาศีลเสร็จแล้วก็กายวาจามันก็สงบกายวาจาสงบก็มีสมาธิมันก็เป็นสมาธิมั้งศีล ทั้งสมาธิทั้งปัญญามันก็ครบอยู่ในศีลข้อหนึ่งในศีลข้อหนึ่งมีปัญญามีความเพียรแล้วก็มีสติแล้วก็มีสมาธิเห็นไหมในข้อหนึ่งอริยมรรคมีองค์8มีครบครบในทุกๆข้อนี่แหละคือสําคัญเป็นเรื่องที่สําคัญเพราะฉะนั้นจึงบอกว่าอริยมรรคมีองค์แปด ถ้ากว่าเราไม่ตรุโปรงไม่สามารถที่จะเห็นอริยสัจโดยละเอียดได้ทีนี้อริยสัจสี่ข้อไม่มีอะไรมีแต่เรื่องทุกข์ทุกทุกทุกทอย่างเดียวบางคนก็คิดว่าทำไมพระพุทธศาสนามีแต่เรื่องทุกข์มันก็มีแต่เรื่องทุกข์กสิทีนี้พระข้าใจผิดคิดว่ามันมีสุขมันสุขอะไรสุขกเวทนาสุขกเวทนาก็คือทุก ทุกเวทนาก็คือทุกขอทุกความาสุขเวทนาก็คือทุกขเรามองไม่เห็นสุขเวทนาเรามองไม่เห็นเราเห็นงูเป็นปลาเห็นงูเงาน่ะเป็นปลามีคนหนึ่งไปสุ่มปลาที่ในนาไปติดงูพอติดงูแล้วเอามือล้วงเข้าไปแล้วก็กวนกวนกวนกวนกวนกว น, กวนเข้าไปพอกวนเข้าไปเดี๋ยไปจับได้ที่คออ้อาวไม่ใช่ปลา นี่มันงูงูเงานี่มันงูเหงาเห็นความจริงแล้วว่านี้มันงูมันมีพิษทีนี้มันเข้าใจผิดเป็นงูเป็นปลาทีนี้ทํำยังไงก็เลยฆ่ามันเสีให้ตายงูนั่นก็ต้องฆ่ามันเสียให้ตายอ้าวยมว่าแล้วมันไม่พิษกะฆ่าให้ตายไม่ใช่งูไม่ใช่งู ง, งูงูกิเลสนั่นงูกิเลสตัณหาอุปาทา น, น, นทีนี้ เราต้องมีสติปัญญาเพราะฉะนั้นในศีลข้อหนึ่งก็มีอริยะมรรคมีองค์แปดครบครบทุกองเลยครบทุกองเลยครบทั้งปัญญาครบทั้งศีลครบทั้งสงมาธิพอมันครบอย่างนี้แล้วครบอย่างนี้แล้วเป็นยังไงก็จะเห็นอริยสัจเห็นไหมข้อแรกเลยว่าธรรมาทิทีิมีความเห็นอันถูกต้อง คือเห็นอริยสัจส์่ 4, จมมาเห็นทุกขสมทัยนิโรธมักเห็นทุกขโมทัยนิโรธมากทีนี้การที่จะเห็นเกิดอะไรขึ้นมาตรง น, นี้จกักขุงที่นี่ทีนี้จกักขุงที่เริ่มแล้วเริ่มแล้วตัวนี้โยมอย่ามึนนะคนที่ไม่เคยฟังนะอย่ามึนทีนี้เห็นไม่ใช่ใช้ตาใช้จกักขุงต่อปาริตาปัญญา ปัญญาเกิดแล้วจากขงอุทปาทิอุทปาทิแปลว่าเกิดแปลว่าเกิดจากขงอุตปาทิดวงตาคือปัญญาเกิดยานังอุตปาทิญาญญาญคือตัวรู้คือตัวรู้เกิดยานังอุตปาทิอนี้พอมาถึงตัวว่ายานังอุตปาทิยานังอุตปาทิตัวรู้นี่ตัวรู้นี่รู้อะไร รู้อริยสัจ ท, ทุกสมุทัยนิโรธมักทุกเป็นอย่างนี้อย่างนี้ทุกเป็นสิ่งที่ควรกวามรู้ทุกเราก็รู้ได้แล้วนี่รู้คือต้องรู้เพราะเห็นเพราะเห็นจึงรู้เนี่ยเพราะเห็นจึงรู้รู้ก็เกิดญาณขึ้นมาอันนี้ญาณสามญาณสามญาณสามก็คือ ทุกเป็นอย่างนี้อย่างนี้ทุกเป็นสิ่งที่เราควรกำลังรู้ทุกเรากำลังรู้ได้แล้วอันี้ถ้าเป็นภาษาบาลีนะว่าอย่างไรภาษาบาลีก็าสัจจยานสัจจยานคือความจริงทุกมันเป็นความจริงสัจจยานสัจจยานคือทุกเป็นอย่างนี้อย่างนี้ดังนั้นเวลาเกิดทุกข์ขึ้นมาอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้วิจัยมันเลยอะไร นี่มันอะไรเนี่ยนี่มันอะไรเนี่ยมันอะไรเนี่ยนี่มันอะไรแจกแจงมันไปดูมันไปวิจัยมันไปอะไรมันไปทุกเป็นอย่างนี้อย่างนี้ฉะนั้นอา้าวทุกนี่เป็นทุกก็ได้ปัญหาก็ได้ปัญหาเป็นอย่างนี้อย่างนี้เออน้ำท่วมน้ำท่วมใหญ่ cosplay, แต่นี้ก็พูดแต่เรื่องน้ำท่วมเลยเพราะอะไรก็เรื่องน้ำท่วมน้ำท่วมน้ำท่วมตัางๆแต่ว่าน้ำท่วมจิตนี่ไม่เห็น ท่วมตลอดปีตลอดชาติไม่เห็นเลยแต่ไอัน้ําที่เรากินเราดื่มที่มันท่วมนี่เราเห็นเอาเถอะเราจะดูน้ําท่วมภายนอกน้ําท่วมภายนอกหนึ่งน้ำท่วมหนึ่งน้ำท่วมสองเหตุให้เกิดน้ําท่วมสามความดับน้ําท่วมสี่หนทางให้ถึงความดับน้ําท่วมเห็นไหมอริยสัจสี่แล้วอริยสัจสี่มาแล้วหนึ่งน้ำท่วม น้ำท่วมนี่มันมาจากไหนมาจากไหนเ้าตาพูดกันทั้งโลกก็เยอะแยะพูดทั้งโลกก็พระเราไปเผาเผาเผาเผาเผาเอาวัตถุดิบที่ออกมาจากดินนั่นแหละออกมาจากดินนั่นแหละออกมาเผาเผาเผาเผาเรืยนต์รถไฟรถอะไรก็เป็นไม่รู้ล้านล้านล้านล้านต่อไรกี่ร้อยล้านกี่พันล้านเผาเผาเผาเผาเผาเอาานดินมาเผาเผาเผาเผาเผาเอาอะไรมาเผาเผาเผา ทีนี้ไอ้น้ำแข็งน้ำแข็งที่อยู่กลกัวโรคอ่ะมันน้ำแข็งนมันก็เย็นมันก็เป็นก้อนพอมันโดนความรอ้อนมันก็ละลายนี่เรื่องหนึ่งเรื่องที่สองไปทํำลายธรรมชาติไอ้นั้นก็คือทําลายธรรมชาตินั่นแหละทีนี้เรื่องที่สองก็คือทําลายธรรมชาติทําลายธรรมชาติไอ้ต้นไม้นะ่ะต้นไม้ที่อยู่บนภูเขานะูนเป็นยังไงต้นไม้มันก็เป็นเคลื่อน เป็นเกลือนสําหรับที่ดักน้ำเอาไว้วนตกมันก็ซึมซับเข้าไปที่ใบที่ยอดที่รากที่ลําต้นแล้วค่อยๆลงมาทีละนิดทีละนิดทีละนิดออกจากรากออกจากโคนมันอะไรมันที่มันเก็บไว้เลี้ยงลําตัวลําต้นมันก็เก็บเอาไว้เป็นล้านล้านล้าน้านต้นทีนี้เป็นยังไงเราไปทํำลายเพราะวิทยาศาสตร์นั่นแหละมันเจริญเกินไป อุปชาของหลวงพ่อตอนที่เป็นเนนน่ะท่านต้องการที่จะสร้างโบสถ์ก็สร้างโบสถ์แลวชนหลวงพ่อมาเป็นเด็กตอนนั้นยังเป็นเด็กอยู่อยู่แค่พอสามเองอก็เป็นเด็กถือกระเป๋าโอ้ยไปสงขลาไปสงขาลาแต่ก็ไปหาดใหญ่ไปขึ้นรถไยที่หาดใหญ่ก็มาพัทลุงมาพัทลุงก็มานอนวัดกุหาสวรรค์พอจันทร์เจ้าเสร็จเป็นยังไงท่านก็เดินที่นี่ หลวงพ่อก็เดินตามหลังถือกระเป๋าไปใบหนึ่งที่จําได้ระงระว่าเดินมาทางนี้แหละทางนี้เรามาที่สาราผู้หลงนี่แหล ะ, ะ, ลล แ, หละแล้วก็เป็นทางเป็นทางคนเดินไปนู่นท่านจะไปตัดไม้ที่ป่าพยองไปแค่ตรงนี้เองค่าแล้วเดินเมื่อก่อ น, นมีแต่ป่าไม้ป่าไม้ป่าไม้ป่าไม้ทีนี้พูดถึงเรื่องของวิทยาศาสตร์เมื่อก่อนก็ทําลายป่า หรือเอาไม้ตัดไม้เอามาทำโบสถ์ออกมาทำศาลาทำเอามาทำบ้านทำช่องทำโนนตัดก็ขวานอย่างดีก็แค่เรื่อยแค่เรื่อยแค่นั้นเองอนี่เป็นยังไงมันก็ไม่หมดอย่างไม่หมดป่าแต่เดี๋ยวนี้วิทยาศาสตร์เจริญพอวิทยาศาสตร์เจริญมีเรื่อ ย, ยนต์ขึ้นมาแ้แ้แ้แ้ แ, แ, แ, แ้เดี๋ยวเด็ก็หมดแล้วไร่หนึ่งหมดแล้วสองไร่หมดแล้วสิบไร่ ร้อยๆรยพันไร่หมดแล้วหมดแล้วเป็นยังไงควนตกลงมาควนตกลงมาน้ําก็เลยทะลักลงมาทีนี้ทะลักลงมาข้างรางตัวทะทะลักลงมาข้างล่างไอ้กลางรางนี้ก็เป็นยังไงมีการร่วมมือซึ่งกันเลยกันร่วมมือกันทําอะไรถมครองโครงตามสายน้ำนั่นเดี๋ยวถมครองแต่ว่าน้ํามันมีสัจส่ มันเคยเดินทางไหนมันก็เดินทางนั้นมีสัจจคมันก็เดินมาทางเดิมอ๋อท่วมถนนอ๋อเสร็จแล้วในพรุขังน้ําเป็นที่คลังน้ําเป็นที่อยู่ของปลาของจัดน้ำอ๋อถมถมถมถมถมถมถมก็ถมเสร็จแล้วสร้างบ้านสร้างโจงสร้างตึกสร้างโครงการโรงงานอะไรเราก็ให้ความร่วมมืออีกอ๋อพอก็สร้างสร้างเสร็จแล้วก็อ๋อจับโจงหลังนี้ สล้านหลังนั้นห้าล้านหลังโน้นสิบล้านตามระดับของคนมีเงินกับคนที่ไม่มีเงินไอ้คนที่มีเงินน้อยมีเงินมากอา้าวเราก็ให้ความร่วมมืออีกเหมือนกันทีนี้ก็เลยรับกรรมหนึ่งทุกสองเหตุให้เกิดทุกสามความดับทุกสีห่หนทางให้ถึงความดับทุกหนึ่งน้ําท่วมสอง เหตุได้เกิดน้ําท่วมอะไรเนี่ยเหตุได้เกิดน้ําท่วมนี่มันคืออะไรนั่นคือสาเหตุสาเหตุภายนอกสาเหตุภายนอกนะภายนอกเอสาเหตุภายในเป็นยังไงมีมิจฉาทิฏฐิเมื่อมีมิจฉาทิฏฐิก็คือราคะโทสะโมหะมีมิจฉาทิฏฐิก็มือมีอวิชชามีอวิชชาไม่รู้อริยสัจไม่รู้เรื่องทุกข ไม่รู้เรื่องเหตุให้เกิดทุกข์ไม่รู้เรื่องความดับทุกข์ไม่รู้เรื่องหนทางให้ถึงความดับทุกข์ไม่รู้เรื่องทุกข์เพราะอะไรเพราะไม่รู้อริยสัจไม่รู้อริยสัจเพราะอะไรเพราะไม่ปฏิบัติตามอริยมรรคมีองค์8มันคาบเกี่ยวกันหมดเลยเพราะไม่ปฏิบัติตามอริยมรรคมีองค์8เมื่อไม่ปฏิบัติตามอริยมรรคไม่งค์8 ก็ไม่รู้ทุกข์ไม่รู้เหตุให้เกิดทุกข์ไม่รู้ความดับทุกข์ไม่รู้หนทางให้ถึงความดับทุกข์ทำยังไงพอทุกข์มันเกิดน้ํามันท่วมบ้านแล้วมันท่วมหลังคาแล้วไอ้ที่ตายก็ตายกันไปไอ้ที่ไม่ตายก็นอนกอดสมบัติกันไปอะไรกันไปอ้าวยายตาไปเถอะอยู่ไม่ได้แล้วน้ํามันท่วมไม่ได้ฉันไม่ไปฉันจะอยู่บ้านฉันเดี๋ยวขโมยมันจะเข้าบ้านฉันเนี่ยอย่างเนี้ย นี่เลยก่านตัวกูทางนั้นเลยทุกทุกเพราะตัวกูทีนี้หนึ่งทุกสองเหตุให้เกิดทุกให้เราดูภายในดูภายในทุกเพราะจิตเป็นตัวกูเอาจิตมาเป็นตัวกูเอาจิตมาเป็นตัวกูจิตนั้นมันก็จิตที่เป็นตัวกูนั่นมันก็มีอาหารเหมือนกันไม่มีอาหารมันอยู่ไม่ได้จิตที่เป็นตัวกูคือจิตอาวิธ าจิตอวิชาจิตอวิชาก็มีราคะมีโทสะมีโมหะเป็นอาหารที่เมื่อเรามีราคาทีหนึ่งโทสะทีหนึ่งโมหะครั้งหนึ่งอาวิชาได้อาหารอาวิชาก็ได้อาหารทุกครั้งทุกครั้งทุกครั้งมันได้ทุกครั้งที่เรามีความโลภที่เรามีความโกรธที่เรามีความหลงอาหารของอาวิชา นี่ป้อ น, นมันไปเรื่อยๆๆๆๆอย่างนี้ทีนี้นี่คือมิจฉาทิฏฐิทีนี้มิจฉาทิฏฐิก็ตามให้อวิชชาอ้วนพีทีนี้อวิชชาอาวิชชาคือโง cổ, ่เกิดจิตโง่จิตโง่จิตตามปกติมันไม่ได้โง่แล้วก็มันไม่ได้ฉลาดจิตแปลว่ารู้สึกรู้สึกคือตัวความรู้สึกตัวความรู้สึกตัวนี้ ถ้าเอาความไม่รู้คือตัวงโง่ไม่รู้อริยสัจสีเข้าไปอยู่กับจิตจิตนั้นก็งโง่แต่ถ้าเอาความฉลาดนี้เอาความฉลาดเข้าไปอยู่กับจิตจิตนั้นก็ฉลาดจิตนั้นก็ฉลาดทีนี้ปกติคนมันก็งโง่มาก่อนทางนั้นวันที่บอกเมื่อคืนน่นแหลเด็กงโง่เด็กงโ ง, เง่เอ้ยมึงไม่รู้จกักมึงไม่รู้จักคอยอก็เลยยึดมัน่นถือมัน่น เอามือไปขยำเอาใต้ไปขยำเอาตะเกียงเด็กโง่เนี่ว่ามันอย่างนั้นเนี่ยไอน้นี่มันก็จำเลยอย่างนั้นมันก็จํามันก็จําทีนี้ไ อ, งงไอ้โง่เนี่ยไอ้จิตโง่เนี่ยอาวิชาเป็นปัจจัยปัจจัยปัจจัยเป็นปัจจัยคือเกื้อกูลน่ะทำให้เกิดสังขารเอาวิชาเป็นปัจจัยทําให้เกิดสังขาร สังขารปแปลว่าการกระทําการกระทําทางกายเรียกว่ากายสังขารการกระทําทางวาจาเรียกว่าวจีสังขารการกระทําทางใจเรียกว่ามโนสังขารทีนี้มันขายพิษแล้วอวิชชามันขายพิษแล้วมันขายพิษยังไงเพราะมันไม่มีสัมมาทิฏฐิมันก็เลยคิดผิดพูดผิดทําผิดมันคิดผิดคิดผิดก็เลย ทำลายโลกเห็นไหมมันทำลายโลกทำลายโลกก็คือทำลายตัวเองนั่นแหละแต่โลกนี้มันไม่มีเรามันจะเกิดขึ้นมาได้ยังไงไม่มีโลกนี้ไอ้ป่าไม้ก็ไม่มีพื้นดินก็ไม่มีอะไรก็ไม่มีก็จะทํามาหากินกันยังไงเราทุกคนก็คือเกิดมาจากสิ่งเหล่านี้แหละก็เกิดมาจากโลกนี้แหละเกิดมาจากวัตถุเหล่านี้แหละ เกิดมาแล้วเราก็ต้องอาสายวัตท <geliyor> ุเหล่านี้ทีนี้มันคิดผิดคิดผิดแล้วก็พูดผิดพูดผิดแล้วก็ทำผิดนี่เรียกว่าท่าทางใจเรียกว่ามโนสังขารมโนสังขารมโนสังขารคือคิดผิดพอคิดผิดแล้วก็พูดผิดพูดผิดแล้วก็ทำผิดเห็นไหมนี่คือวิทยาศาสตร์ที่เจริญวิทยาศาสตร์เป็นดาบสองคม เป็นดาบร้องคมอย่างนี้ท่านอาจารย์พุท ธ, ธาตาท่านบอกว่าอย่าไปหลงวัตถุมันมากเกินไปชวนกันถอยหลังข้าวกรองเอถอถอยหลังข้าวกรองเธอถอยหลังข้าวกรองก็คืออยู่แบบธรรมชาติธรรมชาติธรรมชาติอยู่กับธรรมชาติอาศัยธรรมชาติแล้วก็เป็นธรรมชาติหมดอีนนี้พอมีมิจฉาทิฏฐิคิดผิดพูดผิดทาผิด ก็เลยทำลายหมดอะไรขวางหน้าทำลายหมดแม้แต่มนุษย์ด้วยกันก็ทำลายหมดถูกทำลายหมดเพราะเพราะว่าเห็นแก่ตัวมิจฉาทิฏฐิเนี่ยมันเห็นแก่ตัวอย่างนี้แก่นั่นมันก็เลยทำให้เกิดน้ำท่วมขึ้นมาทำให้เกิดไยบรรเลกันไรเลกันมันล้างโลกขึ้นมาอะไร ล, ล้างโลกขึ้นมาก็เกิดนิวเคลียร์ขึ้นมานั่น ไฟบรรเลงการบรรเลงการแล้วใครเป็นคนสร้างนักวิทยาศาสตร์นั่นแหละสร้างขึ้นมาไฟบันเลงการบรรล้างโลกล้างโลกทีนี้ก็บอกว่าไอ้นิวเคลียร์ที่เอามาทําลายโลกเนี่ยทาลายได้จากสิบโลกมีโลกอย่างนี้ทําลายได้จากสิบโลกเนี่ยใครเป็นคนทําให้เกิดไฟบรรเลการขึ้นมาก็คือมนุษย์นั่นแหละทำให้เกิดไฟบรรเลการขึ้นมานี่คือ ในฝ่ายที่ทำให้เกิดทุกข์เหตุใ้เกิดทุกข์ความดับทุกข์ผลทางให้ถึงความดับทุกข์อันี่เราแยกอริยสัจสี่นี่เราแยกแยกจากสี่แยกเป็นสองแยกเป็นสองทุกข์กับเหตุให้เกิดทุกข์ทุกข์เป็นผลหรือปัญหานี่เป็นผลทุกข์เป็นผลเหตุให้เกิดทุกข์คือสมุทัยเป็นเหตุนิโรธเป็นผล อรียมักมีองแปดเป็นเหตุเนี่ยเป็นผลเป็นเหตุเป็นผลเป็นเหตุเป็นผลเป็นเหตุเป็นผลเป็นเหตุอยู่อย่างนี้ทีนี้เรามีแค่แค่อะไรมีแค่ทุกกับเหตุให้เกิดทุกเนี่ยมีท่านี้มีอยู่ท่านี้แต่เมื่อพระพุทธเจ้าพระองค์จัดจะรู้รู้อาเรียสัจสีรู้ทุกสิ่งทุกอย่างแล้วแล่พระองค์ก็ดับทุกได้แลก็เป็นพระพุทธเจ้า นี่คือของพระองค์ครบวงจรครบวงจรคืออริยสัจสมันต้องเห็นต้องเห็นหมดทั้งสี่อันนี้เราตัวหนึ่งก็ไม่เห็นทุกเราก็ไม่เห็นเหตุให้เกิดทุกเราไปทำเราก็ไม่เห็นเพราะมันไปทำมันไปคิดมันไปพูดด้วยอํานาจของอวิชชาอาวิชชามันบังคับนี่มันเป็นพาตุกภ า, บาคบังคับ เพราะอาวิชชามันได้อาหารกอราคะโทสะโมหะแ้วจิตตัวนี้มันก็มืดจิตตัวนี้แหละมืดว่ามันมืดแล้วมันไปทำอะไรได้เมื่อจิตมันมืดตามันมืดไปคลำช้างก็ไม่รู้จักช้างทีนี้เมื่อจิตมันมืดมันก็เลยโลกนี้มืดโลกของแต่ละคนแต่ละคนแต่ละคนมืดโลกมืด ตานี่มันมองเห็นมองมองเห็นแต่ว่าเห็นเปลี่ยนเป็นวัตถุเห็นเหมือนที่เห็นเห็นตามธรรมดาแต่ไม่ได้เห็นด้วยปัญญานี่คือไม่มีจักคุ้งอุตตปาริจักคุ้งอุตตปาริไม่เกิดญาณาอุตตปาริไม่เกิดปัญญาอุตตปาริไม่เกิดวิชาอุตตปาริไม่เกิดอาอโลโกอุตตปาริไม่เกิดนี่มันไม่เกิดเพราะว่าไม่ปฏิบัติ ตามอริยมรรคมีองค์8ทีนี้เมื่อเกิดพระพุทธเจ้าขึ้นมาพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นมาก็เพราะคนในโลกนี้มีความทุกข์มีความทุกข์ถึงพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นมาก็เพื่อที่จะแก้ความทุกข์เพื่อที่จะบรรเทาความทุกข์แก่แล้วเปนบรรเทายังไงไม่รู้จักทุกข์ทุกขเกิดขึ้นมาแล้วก็ไม่รู้จักทุกข์ทุกเล็กทุกน้อยทุกมาก ทุกอันดับแรกก็คือไปยึดมั่นเอาจิตมาเป็นกูนี่จิตมันเป็นธรรมชาติแต่แล้วก็เข้าใจผิดคิดว่าเป็นกูอีนี้ไปเอาจิตมาเป็นกูจิตไม่มีตัวตนเมื่อจิตไม่มีตัวตนจิตนั้นก็ไปเที่ยวจับจองทีนี้ไปจับจองตาเป็นกูหูเป็นกูจมูกลิ้นกายใจเป็นกูนี่ไปเอามาเป็นกูหมด เพราะตัวมันเองมันไม่มีตัวจิตมันไม่มีตัวตนเมื่อจิตไม่มีตัวตนก็เลยไปจับจองสิ่งเหล่าเนี้ก็เลยไปเอาขันหน้าไปเอาขันหน้ามาเป็นตัวตนไปเอารูปมาเป็นตัวตนเอาเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณมาเป็นตัวตนพระพุทธเจ้าตอนที่พระองค์จะธรรมจักกะบทจะนัดสูตรในครั้งแรกดูก่อนภิกษูทั้งหลายรูปเที่ยงหรือไม่เที่ยง ถามปัญจวัคคีย์ไม่เที่ยงพระเจ้าข้าก็เพราะมันไหลเรื่อยเวทนาเที่ยงไม่เที่ยงจัญญาเที่ยงไม่เที่ยงสังการเที่ยงไม่เที่ยงวิญญาเที่ยงไม่เที่ยงไม่เที่ยงพระเจ้าข้าไม่เที่ยงพระเจ้าข้าไม่เที่ยงพระเจ้าข้าเป็นอัตตาหรือเป็นอนัตตาเป็นอนัตตาพระเจ้าข้าเป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวตนพระเจ้าข้าทีนี้เรานี่ยเห็นว่าทุกอย่างเป็นของเที่ยงแล้วก็ข้าไปยึดมั่นอย่งมั่น แล้วพอเกิดความทุกข์ขึ้นมาเกิดความทุกข์พขาเห็นว่ามันเป็นอัตตาแต่พอเกิดพระพุทธเจ้าขึ้นมาเราคงมีจักปุงอุตตปาริญาณอุตตปาริปัญญาอุตตปาริวิชาอุตตปาติแล้วเกิดเห็นอริยสัจสมบูรณ์ขึ้นมาทีนี้อริยสัจสมบูรณ์ขึ้นมาคือเห็นทั้งสี่ข้อเห็นทั้งสี่ข้อเห็นทั้งฝ่ายเกิดทุกข์เห็นทั้งฝ่ายดับทุกข์ เห็นตรงไหนเนี worry, ian, yeah, ่ยเห็นที่จิตเห็นที่จิตเนี่ยโอ้จิตโง่นี่จิตโง่ของเราเนี่ยที่มันทําให้เป็นทุกข์เพราะเพราะจิตโง่ตัวนี้แหละเพราะจิตโง่ตัวนี้แหละทาให้เกิดทุกข์ขึ้นมาเพราะข้าไปยึดถือข้าไปยึดถือว่าจิตเป็นตัวกูเหตุให้เกิดทุกข์อะไรเหตุใดเกิดทุกข์หนึ่งเพราะข้าไปยึดถือจิตก็ข้าไปยึดถือจิตโง่สองเหตุที่ทําให้เกิดจิตโง่ก็เพราะราคะ เพราะโทสะเพราะโมหะนั่นคืออาหารของจิตโง่ทํำยังไงต้องทําลายมันที่ต้องทํำลายต้องทําลายก็ต้องอาใจนิโรดต้องอาใจนี้โรดนีโรดคือตัวดับตัวดับตัวดับดับตัวไหนดับราคะดับโทสะดับโมหะพอดับดับไอ้เสบียงที่ที่ที่เก็บเสเบียงอาหารของอวิชฌานพอดับ จัดการเผาสเสบียงให้หมดนี่คือตัวนิโรธพอเจออย่างนี้แล้วยังไม่เจอตัวโจรยังไม่เจอโจรแต่ว่าสเสบียงอาหารของโจรน่ยมันอยู่ตรงนี้มันอยู่ตรงนี้เองอก็จัดการเผาสเสบียงมันหมดพอเผาเสบียงมันหมดเป็นยังไงกองทัพนั่นแหละกองทัพก็มีกองสเสบียงจากนั้นพอกองสเสบียงถูกยึดก็ยอมแพ้ ก็ต้องอยอมแพ้นี่ก็เช่นเดียวกั น, พนเพราะฉะนั้นนิโรธถกเผาราคะโทสะโมหะเอา้านี่ราคะโง่บอกตัวเองว่าโง่แหมคิดว่าตัวเองวิเศษรัดเอกสานก็ยังทำเป็นหมามก็ยังทำกันอยู่กลางถนนมันทำเป็นทางนั้นแหละแหเราคิดว่าเราวิเศษนี่เห็นไหมราคะก็บอกตัวเองอย่าไปงโง่เลยพอแล้วพอแล้วพอแล้ ว, ลวงโง่มาพอแล้วโงมาพอแล้ว เอาทีนี้คิดว่าถ้าคิดกันอย่างนี้แล้วคนไม่มีพันุที่พันคนเต็มไปหมดแล้วแต่พันมนุษย์อายาอาธรรยาก็ยังไม่ค่อยได้เลยพันมนุษย์นี่แต่พันคนนี่เต็มไปหมดเต็มไปหมดทีนี้หลวงพ่อเจ้าคณะภาพจิตที่หลวงพ่อเป็นฐานนาของท่านพระครูในทอนเนี่ยท่านก็บอกเออเอียนเออเรามาช่วยกันสร้างคนให้เป็นมนุษย์เถิดเนี่ย สร้างคนให้เป็นมนุษย์ทีนี้คนยไม่ต้องสร้างมันสร้างกันเองกัเต็มโลกแล้วเ0็ดล้านคนแล้วตอนนี้มี700ัล้านคนแล้วมันเต็มโลกแล้วไม่มีอะไรกินแล้วมันต้องเบียดเบียนกันเลยกันต่อไปมันก็คนเนี่ยจะกินคนแล้วจะกินคนคือเอาเนื้อนี่อะไรมากินกันแล้วต่อไปเนี่ยนี่เราสร้างคนให้เป็นมนุษย์กันเธอทกันว่าอย่างนั้นที่ท่านอาจารย์พุทธทาสก็เหมือนกันท่านก็บอกว่าเอ อ, เ อ, อมาเอี้ยน เราจะตายแล้วของพ่อก็บอกว่าออพระเดชพระคุณมีอายุมากแล้วก็ไอผลงานของท่านก็มีมากข้าวก็จะพยายามสืบทอดตามความสามารถที่กล้าจะทำได้เออเราก็อนุโมทนาสาธุอนุโมทนาสาธุอนุโมทนาสาธุนี่จำไม่ลืมเพราะฉะนั้นนี่คือ ของพ่อมาทา ห, ห, หน้าที่ทาหน้า e ที่ให้ตัวเองทาหน้าที่ให้คนอื่นทาหน้าที่จนนน้นแหละจนหมดลมหายใจนั่นแหละทาหน้าที่ทาหน้าที่ช่วยทําหน้าที่ให้ท่านอาจารย์พุทธทาสทาหน้าที่ให้พระพุทธเจ้าทาหน้าที่ให้พระอรหันต์ทั้งหลายที่ท่านล่วงลับไปแล้วเราเกิดมาเรก็มาทาหน้าที่ทาหน้าที่ให้ตัวเองเสร็จทาหน้าที่ให้คนอื่นต่อ นี่ถ้าอยา่างนี้นี่เรียกว่าทำหน้าที่ทีนี้ในเรื่องของอริยสัจอริยสัจข้อนี้โรดมันจะมีขึ้นมาได้อย่างไรถ้าเราไม่ปฏิบัติตามอริยมรรมีองค์แปดนีโรดก็เกิดขึ้นมาไม่ได้หลวงพ่อจึงบอกว่าไอ้มันหมนุนดิล่อในใจมันหยดุยดในใจมันหยุดหยุดหรือว่าไปติดลมติดบออะไรก็พยายามที่พยายามเหมือนกับไอ้คนคนนั้น เรื่องของนิทานีศพบเ อ, อาเกวียนไปติดลอ้อเอาไอ้อัวลากเกวียนไปลากไว้แล้วลอ้อนั่นก็ติดลมพอล้อติดลมก็มันยึดมั่นถือมัน่นเออมันมีแต่พระเครื่องมันมีแต่อันนั้นมีแต่อนนันโน้นเนอ่ยยึดมั่นถือมันนั่งลงก็นั่งลงแลง้วก็พนมมือ อ, อขอเทวดามาช่วยเธอมาช่วยแบกลอ้อแบกเกวียน อาเด็ดแล้ววัวมันก็จะได้พาเวียนไปได้แต่มาอย่างนั้นก็จะมืดค่าอยู่ตรงนี้แหละถ้ามีใครมันก็จะมาเรื่องอาวัวเอาควายไปโอ้นี่เทวดาก็ออกพรึบเลยพรเทวดาออกมาไอ้โง่เทวดาบ อ, อกไอ้โง่ก็มึงแบกขึ้นที่แบกเวียนขึ้นแบกเวียนแล้วก็เคี่ยนวัวให้มันเดินเพราแบกวัวมันเดิน เวียนมันก็หลุดทีมันก็ไปที่ไปได้ที่ไอ้งโง่เหมือนกันเดี๋เราพอเกิดปัญหาขึ้นมาโอ้ขอเทโวเทวาเทวดาเจ้า ja มาช่วยทีเธอหนานี่แหละโง่แล้วทำไมสมองไม่มีอะสมองไม่มีหรือว่ายังไงเนี่ยอต้องอย่างนี้เพราะฉะนั้นให้หมนุนให้หมนุมนไอ้ล่อมันมนุนไม่ใก่ใ ก, ไใ ก, ไใกไูไม่ใช่กูไม่ใจกูไม่ใจกูไอ้ไม่ใ่กูนั่นแหละมันจะเพิ่มเพิ่มอะไร เพิ่มนิโรธเพิ่มเข้าไปนิโรธมันไม่พอเพิ่มเข้าไปเพิ่มสัมมาทิฏฐิเพิ่มอริยมะเพิ่มเข้าไปเพิ่มเข้าไปเพิ่มเข้าไปเพิ่มเข้าไปเอาเพิ่มเข้าไปมีจักขุงอุตตรเพติอุจจักขุงอุตตปาทิปัญญาภายในเกิดพอเกิดปัญญาภายในเกิดญาณอุตตปาทิเกิดตัวญาณขึ้นมาเกิดตัวรู้ขึ้นมารู้อะไรรู้อริยสัจรู้อริยสัจว่าอย่างไง ทุกทุกเป็นอย่างนี้อย่างนี้ทุกเป็นสิ่งที่เราควรกําหนดรู้ทุกเรากําหนดรู้ได้แล้วนี่ศึกษาทุกศึกษาทุกทีนี้ก็เกิดญาณน่ะเนี่ยก็เรียกว่าญาณนั้นเนี่ออกมาศึกษาทุกเกิดสัจญานสัจญ า, า, านกัจจญานก็โอ้ทุกนี่เป็นความจริงนี่กิจจญาณอ๋อก็หมดแก้ปัญหาได้ดีอย่างนี้เรื่องเล็กนิดเดียว กิจยานกิจยาณกาตายานทำเสร็จแล้วเสร็จแล้วเกิดความทุกข์ขึ้นมาก็อย่ามีกูที่อย่ามีกูทำยังไงชาติปีทุกขาเกิดทุกข์ขึ้นมาเกิดความรู้สึกว่าตัวกูชาติปีทุกขาเป็นทุกเป็นทุกพอเกิดความรู้สึกว่ากูขึ้นมาก็เป็นทุกขเกิดว่ากูขึ้นมาก็เป็นทุกความแก่ความเจ็บความตายเป็นกูเป็นของกูเป็นทุก พอเกิดว่าชาติปีตุกขากูนี่มันหนังเหี่ยวแล้วกูหน้าตาดูไม่ได้แล้วอุ้ยมันไม่ใช่กูมันโง่ห า, ายทันทีลุดไปทันทีชาติปีตุกขาลุดไปทันทีในขณะนั้นเลยนี่เห็นไหมเพราะฉะนั้นนี่คือความแรงของยานังอุดปาทิเอาญานำมาใชา้แต่นั้นสัจจญาณทุกก็คือความจริง กิจยานรู้มันเสียนี่เป็นสิ่งกิตติกิตตินิเพราว่าต้องกระทําต้องกระทํากิจจาเนี่ยกิจจะเป็นหน้าที่หน้าที่เป็นหน้าที่ที่เราจะต้องปฏิบัติเรื่องของความทุกข์ต้องเอามาวิจัยวิจัยวิจัยเรียกว่าธรรมวิจยะธรรมวิจยะสมัยใหม่ก็เรียกว่าธรรมวิจัยธรรมวิจัยนะไปวิจัยอะไร เราก็ไปวิจัยกันเยอะแยะแลยเรียนมหาวิทยาลัยมีแต่วิจัยวิจัยวิจัยวิจัยแต่จะแล้วลืมวิจัยตัวเองพอมีความทุกข์เกิดมาลืมวิจัยกลุ่มจิตกลุ่มใจเครียดเอาปืนมายิงหัวตัวเองสมน้าหน้ามันโง่เห็นไหมําไมมันไปวิจัยแต่วัตถุแต่ไม่วิจัยความทุกข์ความทุกข์ที่มันเกิดขึ้นนี่เรียกว่าทำไม่วิจัยะเพราะฉะนั้นนี่คือ กิจจยานกิจจยญาณจอสองตัวจอจานสองตัวกิจจยานญาณคือตัวรู้รู้ในเรื่องของสิ่งที่มันเกิดนี่แหละที่มันเกิดทุกขึ้นมาทุกทุกเราเรียกว่าสัจจญาณทุกเป็นความจริงเหตุในเกิดทุ ก, ก็ความจริงความดับทุกก็คือความจริงอนตางห้ถึงความดับทุก็คือความจริงความจริงทั้งนั้นเลย นางปิกเจณีรูปหนึ่งได้บอกว่าทุกเท่านั้นเกิดขึ้นทุกเท่านั้นตั้งอยู่ทุกเท่านั้นดับไปนอกจากทุกหามีอะไรเกิดหามีอะไรดับมากแล้วมันที่มันเป็นสุกเป็นสุขมันก็คือทุกนั่นแหละทุกนั่นแหละเราก็ทนเป็นสุขเราก็ทนตอนพอเกิดแล้วมันก็ดับเกิดแล้วก็ดับเกิดแล้วก็ดับเราก็วิ่งตามหาตะครุบตะครุบเงาตะครุบเงาตัวเองไม่โดนสักทีหนึ่งไม่ได้สักทีหนึ่งนี่เรื่องของ ความทุกข์ที่เป็นจุกเวทนาเนี่ยหลงกันทั้งโลกเราหลงวัตถุก็คือหลงจุกเวทนาจุกเวทเวทนาที่ไหนที่ตาที่หูที่จมูกที่ลิ้นที่กายที่ใจอยู่ที่ตรงนี้ลมันไม่ได้อยู่ที่ตรงอื่นไม่ใช่ว่าไปทำลายโลกใหไหมดอะไรหมดนี่เพราะไปหลงจุกเวทนามันเลยโง่โง่แล้วก็วิ่งหา ไอตัวโง่เนี่ยวิ่งไปนี่คุณตัวอาวิชานั่นแหละไอ้ที่สัจจยานกิจายานกตยานในทุกนะในทุกนะมีสัจจยานกิจายานกัตายานตามเรียบร้อยแล้ววิจัยเรียบร้อยแล้วเห็นแล้วรู้แล้วปล่อยวางแล้วกตายานกตายานนี่สัจจยานกิจจยาน กาตยาเสร็จเรียบร้อยในเรื่องของทุกข์เอาไปเหตุเกิดทุกข์เหตุใดเกิดทุกข์ก็คือสมุทัยมันมาจากไหนเนี่ยสมุทัยเหตุใดเกิดทุกข์ทุกอย่างมันมีเหตุทางนั้นเลยมีเหตุทางนั้นหาเหตุให้มันเจอหาให้มันเจอหาให้มันได้ไอ้นี่ไปดูที่มันเป็นทุกข์ก็เพราะราคะนั่นแหละก็ดูที่หนุ่มๆสาวๆมันนอนไม่หลับอ่าเพราะมันเกิดราคะ มันเกิดราคะเลยมันเกิดโลภะเกิดโลภะก็นอนไม่หลับก็ราคะไหนๆราคะในวัตถุมันอยากได้วัตถุอยากได้วัตถุอยากได้รถชักคันหนึ่งโอ้ยทํำยังไงนี่มันเกิดราคะขึ้นมาแล้วมันเกิดโลภะขึ้นมาแล้วมันชอบมันชอบมันชอบมันต้องการที่จะให้มันได้มาโอ้ยทํำยังไงมีสวนอยู่เก้าไร่สิบไร่อย่างเนี้ยเออ เอาดินไปจำนองจำน้ำเจอข้าวธนาการอ่าเห็นไหมขายดินดินมันไม่ขึ้นสนิมแต่ต่ได้รถมันขึ้นสนิมไม่กี่เดือนไม่กี่ปีมันก็หมดแต่ว่าดินยังไงมันก็อยู่อย่างนัน้นก็เป็นดินอยู่อย่างนั้นนี่เอาดินมาซื้อรถนี่เพราะอะไรราคาโูภะโทสะโมหะ น, นี่นี่คือเหตุเหตุให้เกิเกดทุกข์ เอ้ได้เกิดทุกพอทำก็จะขยายไปขยายไปขยายไปขยายไปใครเป็นคนใช้ขยายเชื่อหมดเชื่อหมดไอจิตโง่อมันคิดอะไรนี่เชื่อหมดเชื่อมันหมดเลยคิดว่าจริงหมดจริงหมดโอ้ยเราต้องขยายเรามีร้านอาหารอยู่ร้านหนึ่งโอ้ยขายดิบขายดีฉันจะต้องขยายไปที่ตรงนั้นขยายไปตรงนี้ขยายไปตรงโน้น มีโรงงานอยู่โรงงานที่ผลิตอะไรก็ตามเสร็จแล้วก็ขยายขยายในประเทศไม่พอขยายไปต่างประเทศไอ้โง่มันใช้่างนั้นเห็นไหมเนี่ยไอ้จิตงโงนะ่น่ะมันช้ามันช้ามันใช้ใชใชใชพอเสร็จแล้วเออคนที่มีโรงงานใหญ่หญหญโ ต, โตที่ประกอบกิจรกรรมอยู่ในกรุงเทพนี่เด็กอา้าวน้ําท่วมหมดเอ๊ะทำไมไปทําใหญ่โตถึงขนาดนั้นเน่ยใครใช้ทำํำ งโง้อะไรแหละมันใช้ให้ทำพองโง่มันใช้ให้ทำพอเวลามันเกิดน้ำท่วมขึ้นมามีความทุกข์ขึ้นมาอะไรขึ้นมาแล้วไอโง่มันช่วยเราได้ไหมช่วยไม่ได้ของกูของกูของกูเครียดอยู่นั้นเนี่ยไม่ละมือไปนั่งก็ละมือกินก็ละมือนอนก็ละมือกว่าจะหลับซัดยานอนหลับก็บไปตอนนี้มาอย่างนั้นไม่ไหวแล้วเนะบลอทีนี้ต่อไปเบลอ นี่เห็นไหมไอ้โง่ไอ้โง่นั่นน่ะมันช้ทีนี้เราอย่าไปเชื่อมันอย่าไปเชื่อจิตที่มันโง่เราต้องผลิตขึ้นมาเองได้ปฏิบัติตามอริยามรักมีองแปดพอปฏิบัติตามอริยามรักมีองแปดเราก็ได้นิโรธก็ได้ตัวนิโรธนั้นมาก็เกิดยาหนังอุตปาทิเห็นหมเกิดยาหนังอุตปา <c oughs> ทิทีนี้ สัจญาณกิจจญาณกตญาณในทุกขในเหตอใ้เกิดทุกเได้เกิดทุ ก, ก, ทกราคะโทชาโมหะไม่เอามันอยา่าไปเอามันราคะก็ไม่เอาโทชาก็ไม่เอาโมหะก็ไม่เอาแต่ว่าเราก็ทําไปตามลําดับขั้นพอพูดอย่างนี้เอหลวงพ่อพูดอย่างนี้ก็ไม่ต้องแต่งงานกันที่ไม่ต้องมีลูกมีหลานกันที่ก็มีได้มีตามลําดับขั้นคุณเป็นพระโสดาบันสักกิทากามี คุณก็มีลูกมีเมียเป็นโขงเป็นโขลงได้เลยแต่ว่ามีไว้ทำไมมีไว้สําหรับให้สืบทอดให้เสืบทอดเออลูกเอ้ยพ่อตายแล้วนะลูกต้องปฏิบัติธรรมให้เกิดให้ได้เป็นพระสูดาบั น, นหรือว่าให้เหลือจากพ่อไปเป็นประสกิทากามีเป็นพระนาคามีเป็นพระอรหันถ้าอย่างนั้นโลกนี้ก็ไม่สิ้นพระอรหันนี่ เรียกว่าเราสืบพันุ์เพื่อที่จะสืบโทษ ธ, ธรรมะแอย่างนี้เอ็นี่เมื่อมันมีจักขุงอุตปาริยานังอุตปาริตัวรู้ขึ้นมายานังยานังญานังตัวรู้เกิดขึ้นมาแล้วก็เกิดนั่นเน่ยสัจญายนกิจญายา น, ยานกตตาญาณในทุกข์ทีนี้พอเป็นภาษาใจว่าทุกเป็นอย่างนี้อย่างนี้ทุกเป็นสิ่งที่เราควรกําหนดรู้ทุกเรากําหนดรู้ได้แล้วสัจญายน สกิจยาญณกตาญาณทีนี้พอไปเหตุใดเกิดทุกข์เหตุใดเกิดทุกข์นี่มันอะไรมันอะไรเหตุใเกิดทุกข์เหตุใดเกิดทุกข์เกิดอะไรราคะโทสะโมหะเห็นไม่ได้ยังไงอ๋อเห็นไม่ได้ยังไงเพราะเราเกิดจากขุงอุตตปาทิญาณังอุตตปาทิปัญญาอุตตปาทิวิชชาอุตตปาทิสี่ตัวสี่ตัวจักขุงอุตตปาทิ จากตู่ปัญญาเกิดขึ้นแล้วแก่เราญาณตปาฏิยานตัวรู้เกิดขึ้นแล้วแก่เราปัญญาตาปาฏิปัญญาเกิดขึ้นแล้วแก่เราวิจ ช, ชาวตาปาฏิมีไหวสาหรับที่จะปราบนี่เรียกว่าสมบูรณ์แล้วมีไหวสาหรับที่จะปราบปราบอะไรปราบอาวิจชาสําหรับที่จะปราบอาวิจชาทีนี้ทํำยังไงเราได้นิโรดมาแล้วทีนี้คือในทุกข์ก็มี สัจญายกิจญายานกตตาญาณในสมุทัยก็มีสัจญายนกิจญายานกตตาญาณในนิโรธก็มีสัจญายนกิจญายานกตตาญาณในอริยมรรคก็มีสัจญายนกิจญายานกตญาณที่น so ี้เราได้จักขุงตปฏิญาณอุตปาติปัญญาตปฏิวิชารตปฏินี่ดูทางนี้เรามีฐาน้างนยนี้เรามีฐาน เ่อเรามีฐานสมว่าเราเรามีฐานสี่ก้นอนพอมีฐานสี่ก้อนกูเปิดได้สว่างเปิดได้สว่างทีนี้พอเราได้นิโรธมา น, ธ น, นิโรธเนาะสว่างแจ้งนิโรธนิโรธคือทําให้แจ้งทําจิต น, นี่นี่ไอ้มันสว่างพอจิตได้สว่างพอจิตมันสว่างได้นิโรธมาแล้วเอ๊ะมันเกิดอะไรตัวกูพอตัวกูขึ้นมาตัวกูขึ้นมาก็จิตก็เลยแป๊บขึ้นมานี่หองไปฉายทันทีเลย นั่นได้พลังมาโดยได้พลังพลังนี้เราเรียกว่าอาโลโกตปาธิเดีย๋ยวนี้กดสองที่จิตนั้ น, นพอทสองอู้นี่ไอ้ที่มันโง่เนี่ยพอไอ้ตัวราคะตัวโทสะตัวโมหะพอสองควยสองปัญญาก็ไปหายหมดตัวพวกนั้นเน่ยหายหมดเลยเห็น ไ, ไหมมันจะหายหมดเพราะเรารู้จักตัวจริงมันแล้วหายหมดทีนี้นั่นมันอยู่ไม่ได้ตั้งอยู่ไม่ได้แล้วเหมือนกับว่าโจรนั่นแหละ โจรน่มันไม่ชอบหลอกแสงสว่างโจรมันชอบมืดมืดชอบมืดมืดแล้วก็เปิดไฟเขาวกลางคืนก็เปิดไยเขาวหรือว่าเราไม่เปิดอยได้ยินเสียงก๊กแค็กก๊กแคกก๊กแคกมีอะไรามางัดประตูอะไรเเป็นเราก็เปิดไฟพึกพเปิดไฟนี่หาแล้วโจรวิ่งหนีเนี่ยวิง่งหนีเหมือนกันเนี่ยราคะโสะโมหะโจร น, นั่นคือพวกโจรอวิชชา หัวหน้าโจรอันนี้มันลูกน้องโจรเหตุมันเหตุมันคือลูกน้องโจรลูกน้องโจรเอาอาหารไปให้ไอหัวหน้ามันไอลูกพี่มันทีนี้พอเรามีเครื่องมืออย่างดีคือนิโรธพอเราได้นิโรธมาจากการแห่งการปฏิบัติเราก็เลยส่องว่าโอ้ไอราคะมันเป็นอย่างนี้อย่างนี้โทสะมันก็เป็นอย่างนี้อย่างนี้โมหะมันก็เป็นอย่างนี้อย่างนี้ เสร็จแล้วเป็นยังไงไอ้สมุทยัยเราก็มีสัจญานกิจญาณกตจายรู้หมดทีนี้รู้หมดเรามีญาณคือมีปัญญารู้แล้วเราก็ละได้แล้วมันก็หายไปทีนี้นิโรธก็มีหน้าที่ดิมีหน้าที่มีหน้าที่ทําอะไรก็ปราบโจรมีหน้าที่ปราบโจรเหมือนกับตารวจอย่างนั้นเนีปราบโจร แต่ถ้าตำรวจเป็นโจรจะเองก็ต้องปราบในจิตของตำรวจนั่นแหละนี่คือนิโรธนิโรดนิโรธนนิโรดจะเกิดขึ้นมาได้ก็ต้องมีโรงงานผลิตโรงงานผลิตก็คืออริยมรตมีองแปรทาให้ผลิตนิโรดนั้นออกมาพอมีนิโรดแล้วก็มีพลังเพราะฉะนั้นจักกุ้งอุตตปารถิจกักจูเกิดขึ้นแล้วแกเราย า, างอุตตปารถิยาทั้ง ยานทั้ง12นั่นแหละยาน12บหรือสัจญยานกจัจจายานสัจญยานกิจจยานกตายานในทุกข์ก็มียานสามในเหตุให้เกิดทุกข์ก็มียานสในความดับทุกข์ก็มียานสในหนทางให้ถึงความดับทุกข์ ก, กาา็มียานสคือสัจญยานกิจจยานกตายานมียานสาหมด นี่สาม2ี่สิ่งจึงเรียกว่าปริวัตร1ิเมื่อรู้อริยสัจสี่ในอริยสัจสี่มีปริวัตร1ิเพราะรู้ทุกข้อทุกข้อทุกตอนทุกตอนทุกตอนไม่ใจทุกข์ก็ไม่รู้เหตุใดเกิดทุกข์ก็ไม่รู้ความดับทุกข์ก็ไม่รู้ถนนทางที่ใจถึงความดับทุกข์ก็ไม่รู้ ทุกแล้วจนน้ำตาไหลแล้วก็ยังไม่รู้นี่บางคนที่หลวงพ่อพูดไปที่กรุงเทพอย่าไปเอ่ยนามเขาเขาก็โกรธใจโกรธใจธรรมะมานานแล้วมานานแล้วหลวงพ่อก็ป้อนกัไปป้อนกับไปสามวันป้อนทีสามวันป้อนทีสามวันป้อนทีพอรู้ว่าตอนนี้ฝอยมันลนก้นแล้วฝอยมันลนก้นแล้วไม่มีที่นั่งไม่มีที่นอนแล้วเสร็จ แ, แล้วเป็นยังไงโผล่ขึ้นมารู้ทันทีเลยตอนนี้บอก ก็รับสารภาพบอกว่าโอ้ความหลวงพ่อมาก็สนใจสนใจสนใจมันไม่ถึงขั้นไอการสนใจไม่ถึงขั้นมันไม่เห็นทุกข์มันเห็นแต่สุกกินก็สุกอร่อยเห็นก็ชอบได้ยินก็พอใจอะไรมันเห็นแต่สุกสุกสุกก็มาตอนนี้เห็นทุกข์แล้วเห็นทุกข์แล้วโอ้ตอนนี้ไปอ่านหนังสือธรรมะเล่มไหนโอ้เข้าใจตะลุปูุปลงไปหมดอนุโมทนาสาธุเลย บอกว่าที่หลวงพ่อพูดมาหลวงพ่อไม่ได้หวังเงินหวังทองหวังข้าวหวังของหวังจอมบัตรอะไรเดาหลวงพ่อต้องการที่จะให้รู้ธรรมะอย่างเดียวไอ้รู้ธรรมะก็คือให้รู้อริยสัจสี่ก็ที่เป็นนิโรดนี่แหละแล้วก็จะได้ตับดับทุกข์เสียได้นี่เพราะฉะนั้นทั้งหมดทั้งหมดเนี่ยคืออริยสัจสี่ในทุกสมุทยัยนิโรธมั้งทีนี้นิโรดนี่นิโร ธ, โรธแสงสว่างเกิดขึ้นแล้วแก่เรา แสงสว่างที่เป็นแสงสว่างแห่งแสงอย่างนี้ก็ได้แสงสว่างที่เป็นปัญญานั่นนีน่คือเรื่องใหญ่ส่งเข้าไปพอมีปัญหาอะไรเอานี่โลดนี่ส่องเข้าไปส่องเข้าไปส่องเข้าไปส่องเข้าไปในเหตุมันนั่นแหละให้เราก็จะรู้ว่าอา้าวนี่เหตุมันอย่างนี้อย่างนี้ให้เราก็ไปจัดการที่เหตุพอไปจัดการที่เหตุอไอ้ตัวทุกข์มันก็ดับเลยทุกข์นั่นมันก็อยู่ไม่ได้ก็ต้องจัดการที่เหตุอา้าวทาไมมันจึงจนน่ะเห็นไหม จนก็เป็นทุกข์จนก็เป็นทุกข์ออทำไมมันจึงจนเราะโง่ที่เพราะขี้เกียจที่มีเท่าไรกินหมดมีเท่าไรใช้หมดขี้เกียจเสร็จแล้วก็พอได้มาก็ไม่รู้จักประหยัดไม่รู้จักอดอมมันก็จนที่อย่างนี้มีอะไรก็อยากได้หมดมีอะไรก็อยากได้หมดห น, นทางแห่งความจนแล้วก็ติดอาบายามุกชื้อแต่เบอรื้อแต่ลอตเตอรี่ อยากรวยรัดมันก็เป็นไปไม่ได้เลยจนไปจนไปจนไปจนไปด้วยเอะแตงความจนเอาเอะแตงความรวยอีกเอะแตงความรวยก็ขยันขยันขยันขยันขยันคิดขยันประกอบอาชีพอาชีพอะไรที่มันเหมาะสมที่พอจะหาเงินหนาทองได้ก็ขยันขยันขยันขยันอ๋อมีเงินมีทองนี่เงินมีทองไอ้ทุกข์อีกทุกข์อีกอะไรเนี่ยทำไมทุกข์อีกนเมื่อก่อนที่จนอยู่ก็ทุกข์ พอรวยแล้วก็ยังทุกข์อีกว่าอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยอ้าวจองเข้าไปทีนี้ตอนนี้โราตรองเข้าไปนี่เราตรองเข้าไปที่เอได้เกิดทุกข์กันแหละ อ, อ๋อนี่เพราะมันงโง่เพราะมันงโง่โง่เพราะอะไรก็รไปยึดมั่นถือมัน่นบอกมันว่านี่ที่มึ ง, งโง่เนี่ยเพราะมึงก็ไปยึดมั่นถือมัน่นมึงจนไอ้ผู้ดใดมันเจ็บๆเลยมึงจนก็เพราะมึงโง่มึงรวยก็เพราะมึงโง่ มันก็เลยตังขึ้นทั้งล่องเลยมีความทุกข์ทั้งจนทั้งรวยแต่ถ้าหากว่ามีตัวนิโรธนิโรธนั่นแหละส่องเข้าไปในตัวทุกข์นั้นจะเห็นว่าอ๋อจนก็ดีรวยก็ดีเพราะยึดมันมนดม่นถือมัน่นพอ ย, ยึดมั่นถือมั่นก็จะทําให้เอให้เกิดทุกข์เนี่ยเอได้เกิดทุกข์ยึดมั่นถือมั่นราคะโทสะโมหะก็เกิดอวิชชาขึ้นมาเลยโง่ดักดาลทีนี้ โง่เรื่อยไปโง่จนตายแต่โง่ไม่โง่คนเดียวด้วยทาลูกทาหลานเนีโง่กันไปเป็นแถวเนี่ยเป็นอย่างนี้นี่จะนั้นต้องมีนิโรดต้องผลิตนิโรดขึ้นมา ไ, มได้นิโรดเป็นอย่างนี้อย่างนี้หรือว่าความดับทุกข์เป็นอย่างนี้อย่างนี้ความดับทุกข์เป็นสิ่งที่เราควรทําให้แจ้งความดับทุกข์เราทําให้แจ้งได้แล้วนี่ แห็นไหมสัจจยานกิจจายานกตญ า, านนี่มีสามยานสามยานเหมือนกันทีนี้อริยมรรคอริยมรรคก็สัมมาทิฏฐิสัมมาสังกปรสัมมาวาจจะจนไปถึงสัมมาสมาธิอันก็เป็นอย่างนี้อย่างอริยมรรคเป็นอย่างนี้อย่างนี้อริยมรรคเป็นสิ่งที่เราควรปฏิบัติให้เกิดมีอริยมรรคเราปฏิบัติให้เกิดมีได้แล้วนี่ก็เป็น สัจญาณกิจตญาณกตาญาณก็อละสามละสามละสามละสามญาณสากลายเป็นปริวัตรสิบสองทีนี้พอเราได้ญาณสามได้ปริวัตรสบสองได้อริยสัจสี่มาได้ตัวนิโรธมาได้จักขุงอุตตปาฏิญาณอุตตปาฏิปัญญาอุตตปาฏิวิชารตฏปาฏิอาโลโกตาปาฏิ แล้วได้สติปัญญาที่สมบูรณ์ขึ้นมาพอสมบูรณ์ขึ้นมาก็ไปดับอวิชชาดิตัวนี้ไปสกัดกั้นที่สมูทยัยอวิชชาดับและมันจะอยู่ได้หรือสังขารอาวิชชาดับหัวหน้ามันตายแล้วไอหัวหน้ามันตายแล้วไอหัวโจกมันตายแล้วถูกสังหารแล้วไอนี้บ้านเมืองนั้นมันก็สงบที่ทีนี้ไอร่างกายก็ดีจิตใจก็ดีสติปัญญา นี่สติปัญญาเราก็บังคับหมดทีนี้เมื่อก่อนมันบังคับด้วยความโง่บังคับด้วยมิจฉาทิฏฐิแต่ตอนนี้มันมีทั้งศีลมันมีทั้งธมาธิมันมีทั้งปัญญาสมบูรณ์หมดทีนี้ต่อไปสมบูรณ์หมดพอมันสมบูรณ์หมดอย่างนี้อาวิชาดับทันทีเพราะอาวิชาดับสังขารจริงดับอาวิชาดับเพราะอะไรเพราะถูกสังหาร ถูกสังหารไอ้พวกสมุนราคะโทสะโมหะถูกสังหารหมดไม่ว่าไอ้ไอ้ครั้งอาหารมันถูกบอมหมดพอถูกบอมหมดอวิชชาตายพออวิชชาตายที่ถูกบอมเนี่ยใครเป็นคนบอมคนนี้โรจนั่นแหละนิโรจ น, นเป็นผู้บอมนีโรจนนั่นคือกลายเป็นสติปัญญา เ, เสร็จแล้วสติปัญญานั้นพออวิชชาดับสติปัญญาเข้าแทน ข้าแทนข้าวแทนพื้นที่คือจิตนี้แหละสติปัญญาเข้าวแทนพอสติปัญญาข้าแทนต่อไปถูกต้องหมดมีปัญญามีวิชาทีานี้สังขารกายสังขารวิชีสังขารมโนสังขารที่ถูกถูกควบคุมด้วยอวิชชาน่ยกูคิคดกูพูดกูทําเออตอนนี้ไม่ใช่แล้วไม่ใช่กูแล้วสติปัญญาเป็นคนคิด เป็นผู้คิดสติปัญญาเป็นผู้ทํำสติปัญญาเป็นผู้พูดเนี่ยสติปัญญาหมดมันก็เลยดับเลยมันก็ดับดับดับดับดับดับเนี่ยมันก็ดับไปหมดทีนี้ก็ดับไปถึงชาติจามรมณังโฉกปริเทวะตุกัตโวมนัสจอุปายาดับหมดพวกนี้ดับหมดนี่นี่พอมันดับหมดก็อยู่สงบเลยไม่ยึดมั่นถือมั่นจิตมันก็ว่างเลยว่างจากอะไรว่างจากความยึดมั่นถือมั่น ว่างจากวิชาว่างจากสังขารว่างจากวิญญาณว่างจากนามรูปว่างแล้วไม่ใช่ว่างไม่มีว่างได้มันเต็มทีนี้ว่างนั่นแหละคือเต็มว่างนั่นคือเต็มเต็มด้วยอะไรเต็มด้วยสติปัญญาเต็มด้วยวิชานี่มันเต็มทีนี้ในปฏิจจัตวาบาทรกไยเกิดก็คือเกิดยึดมั่นถือมั่นยดับก็คือเลิกความยึดมั่นถือมันนั่นก็ดับ มันก็ดับนี่มันก็ดับหมด hmm. นี่มันเป็นอย่างนี้เรียกว่าเป็นอย่างนี้ทีนี้ในปฏิจจสมุปบาทแต่ละข้อแต่ละข้อแต่ละข้อแต่ละข้อมันมีอริยสัจสี่ทางนั้นข้อหนึ่งก็มีอริยสัจสีข้อหนึ่งก็มีอริยสัจสีข้อหนึ่งก็มีอริยสัจสเราดูแต่ว่าช้อยคอร์ช้อยคอรช้อยคอเส้นหนึ่งก็จะทําเป็นวงเป็นวงเป็นวงเป็นวงแล้วก็เอามาต่อกันมาต่อกัน นี้ปฏิจจ ata มุปาบาทนี่ก็เหมือนกันอริยสัจสีที่เรารู้นี่เราเอามาต่อกันต่อกันต่อกันตอกันต่อกั น, ก, น, นก็เป็นวงวงวงวงวงวงวงวงนี้แต่ละวงมีอริยสัจสเช่นว่า อ, าอวิชชาทุกขเป็นได้เกิดทุกขสมุทัยสมุทัยคืออะไรก็คือราคะโตัวจ่าโมหะความดับทุกขคืออะไร อ, อนิโรธมาดับ คนต่างไงถึงความดับทุกข์อะไรปฏิบัติตามปริยมรักไม่องแปรเสร็จแล้วเป็นยังไงอวิชชาดับอวิชชาดับนี้สังขารสังขารกายสังขารวจีสังขารมโนสังขารอันนี้กายสังขารวจีสังขารมโนสังขารเกิดอะไรเหตุมันอยู่ที่ตรงไหนเหตุได้เกิดทุกข์คือสังขารเป็นตัวทุกข์เหตุ้เกิดทุกข์ก็คืออวิชชาคืออวิชชาอันนี้ความดับทุกข์ ก็ต้องดับท so ี so the way, the so ่อวิชชาที่เอานิโรดนั่นนี so ่มาดับที่อวิชชาความดับทุกโขนต่างให้ถึงความดับทุกขก็ต้องปฏิบัติตามอริยมรักษ์ในองแปรแต่ก็เห็นอริยสัจเห็นอะไรต่ออะไรเนี่จะได้ก็มาดับดับอวิชชาพอดับอวิชชาสังขารก็ดับเลเนี่ยมันเป็นเป็นข้อเป็นข้อเป็นข้อเป็นวงวงวงวงวงวงวงวงไปวงวงวงไปอย่างนั้นเอาลงมาจากเอาเอาขึ้นมาจากข้างล่างก็ได้เช่นว่าชาติ ชาติปีทุกขาเกิดความรู้สึกวักอูเป็นทุกข์ชาติปีทุกขาเป็นทุกข์เหตุได้เกิดทุกข์เกิพบกามะพบรูปะพบอรูปะพบนั่นคือเหตุได้เกิดทุกข์ความดับทุกข์อะไรความดับทุกข์ก็ต้องปฏิบัติตามอริยมรรมีองแปดแล้วก็ได้มีโรดมาพูดให้ลัดลัดหน่อยได้มีโรดมานิโรดก็เลยเอามาดับเอามาดับปุบ เพก็เปรียบเหมือนคนมีคันนั่นแหละเหมือนคนมีคันจะกัดมันก่อนทำโครดมันที่ก่อนตรงนั้นไม่ใช่มันเกิดไม่ใช่มันโครดทำไอ้คันนั้นเนี่ยไอ้มันนั้นทีไอ้มันปอดทีไอ้มันปอดทีดทมันโคอดไม่ได้ทีนี้ไอก้กรมมาพบรูมาพบรูมาพบมันก็ดับโปรแกรมมาพบรูมาพบดับไอ้ความทุกข์คือชาติปีตุกขามันก็ดับ มันก็ดับหมดไงเนี่ยมันจะดับหมดมันเป็นข้อเป็นข้อเป็นกอเป็นก้อเป็นกอเป็นดันั้นในปฏิจจ a มุป u k o b h ก็คืออริยสัจสี่ทั้งนั้นเลยกี่ตอนกี่ตอนก็อริยสัจสีทั้งนั้นนี่ใช้เวลาไปชั่วโมงสินาทีแล้วเพราะฉะนั้นบรรยายมาสองครั้งเกี่ยวกับวันเกิดของหลวงพ่อตั้งแต่ปากคำํำจนถึงปากสาวมือ้อ นะก็คืออยู่ในเรื่องเดียวกันเนี่ยแต่ว่ามันครบวงจรนี่เรียก ว, ว่าครบวงจรทั้งหมดต้องปฏิบัติตามนีนะ้ถ้าไม่ปฏิบัติตามนี้พระพุทธเจ้าก็มาช่วยเราไม่ได้พระพุทธเจ้าน่คือสัมมาทิฏฐิพระพุทธเจ้าอยู่ในอริยมรรคมีองค์แปดอยู่ในอริยสัจทีอยู่ในนั้นทางนั้นเลย ถ้าเราเกิดจากุณฑตปาติญาณุตรพาติปัญญาุฑรพาติวิจญาุตรพาติอาโลโกุฑรพาติแล้วก็เห็นอริยสัจสจิตเห็นอริยสัจสี่พอเห็นอริยสัจสีขึ้นมาอริยสัจสีตัวนี้โรธก็เข้าไปดับดับดับดับๆันั่นพระพุทธเจ้าก็อยู่ที่ตรงนั้นพระธรรมก็อยู่ที่ตรงนั้นพระอริยสงฆ์พระอาราันต่างหลายก็อยู่ที่ตรงนั้นทีนี้ถ้าเราไม่มีจิตทีนี้ก็ดูดิเราจตริตตอนนี้จิตโง่หรือจิตฉลาด ถ้าจิตโง่เราก็พยายามวิจัยดิทำๆมาวิจัยทีนี้ก็ญาติโยมทุกท่านอย่าลืมหมุนล้อไปเรื่อยๆหมุนล้อไปเรื่อยๆขับเครื่องไปอะไรไปให้มันเคลื่อนไปเคลื่อนไปเคลื่อนไปจดหมายจดหมายปลายทางของเราก็คือสงบเย็นอยู่ด้วยจิตที่สงบเย็นอยู่ด้วยกายที่สงบเย็น อยู่ด้วยวาจาที่สงบเย็นเกิดมาแล้วมาพบธรรมะที่พระพุทธเจ้าตจะจะรัสรู้ไม่ประมาทปฏิบัติจนพบความสงบเย็นความแก่ก็มาทำอะไรเราไม่ได้ความเจ็บก็มาทำอะไรเราไม่ได้ความตายเราก็ไม่มีความรู้สึกที่จะไปเป็นทุกข์กับสิ่งเหล่านั้นเพราะเรายกกัดเอาคือความเกิดว่าตัวกูนั้นออกไป ไม่ใช่กูเมื่อไม่ใช่กูโดยเด็ดขาดแล้วเรื่องต่างๆชาติปีทุกขาจะราปีทุขามรานามปีตุขาจบมันก็จบหมดพอจบเสร็จแล้วทำยังไงทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดคือการปฏิบัติเมื่อทำหน้าที่ของตัวเองดีที่สุดแต่ยังไม่ถึงขั้นโน้นมีปัญญาเท่าไหรช่วยเพื่อนได้่านั้นช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ พูดใ้เขาฟังแต่ไม่ใจไปยัดเยียดในกเขก้ขที่ไม่หิวได้หยาหยาไม่หิวได้หยาอยาให้กินอย่าให้กิ น, กนแต่ถ้ามาไฟลนก้นมาแล้วก็บอกที่ออกว่าถ้าเรนต้องการที่จะดับไยทำยังไงต้องการที่จะดับไยต้องการที่จะอยู่ให้มันเย็นอยามันมีความทุกข์พูดใ้เขาฝังนั่นแหละดีที่สุดในขณะที่เรามีความทุกข์ ธรรมะจะเข้าในขณะที่เราหลงสุขเวทนาธรรมะไม่เข้าเพราะว่ามันจิตมันออกข้างนอกหมดแต่กอมีความทุกข์จิตมันอยู่ข้างในจิตมันอยู่ข้างในมันหนักหนักนักนักนักอยู่ข้างในมันต้องการที่จะแก้แต่ไม่มีอะไรเอามาแก้ได้มันไม่รู้ทางบอกทางง่ายก็บอกทางาทาง่ายกับจิตตรงนั้นแหละ ก็เป็นอันว่าเรื่องทั้งหมดทั้งปากคำทั้งปากจ้าหลวงพ่อขอจบเอาไว้เพียงเท่านี้แล้วก็ขอถ้าหลวงพ่อตายก่อนก็เอาเทปซีดีม้วนนี้ลเลยเปิดเปิดในงานหวงพ่ อ, อก็จะได้รู้ว่าธทรมาจากที่มีสี่แฉกนั่นคืออะไรที่มีแปดแฉกนั่นคืออะไรที่มีสิสองแฉกนั่นคืออะไรนี่ให้อย่างนี้ หลวงพว่อสบายใจแล้วเพียงแต่หลวงพ่อคิดสบายใจแล้วตายก็ตายด้วยความสบายใจนี่จะมีความสบายคือมีความสบายมีความสงบใจว่าสบายเรียกว่ามันสงบสงบสงบสงบเราได้ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์เต็มร้อยเปอรเซ็นแล้วอขอให้ความจุกความเจริญจงเกิดมีแก่ผู้ที่มีร้อที่หมุนไปเรื่อยๆถึงจุดหมายปลายทางคนทุกๆท่ททานเจิ